ในพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสในคาถาที่สองว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยแล้วก็เห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานอันสมักสมานกันเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็แสดงว่าให้ความสําคัญกับการใช้วาจามากเนี่ยนะคำว่าวิวาทนั้นหมายถึงว่าพูดด้วยอํานาจของ โทสะหรือว่าคําพูดที่มีโทสะเป็นสมุธฐานผู้ ด, ด้วยความโกรธหรือคำว่าวิวาทนั้นหมายถึงการถกเถียงกันก็ได้เนี่ยนะด้วยเหตุแห่งความวิวาทหกประการด้วยอํานาจความโกรธเป็นต้นนั่นแหละอาศัยความโกรธอาศัยความผูกโกรธอาศัยผูกใจเจ็บแล้วก็อาศัยทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดการทะเละวิวาสมันพระ อ, องค์บอกว่าให้เห็นว่าการวิวาทเนี่ยเป็นภัยนะ ไม่มีความปลอดภัยและการทะเลาะวิวาทนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นในพระไตรปิฎกนั้นยกตัวอย่างเกีงการทะเลาะวิวาทหลายเรื่องด้วยกันเช่นถ้าหากว่าหมูนกทั้งหลายขาดความสามัคคีก็ถูกเรียกว่าเข้าแหของนายพรานนกแล้วก็อะไรก็ตามถ้าหากว่าขาดความสามัคคีตระกูลใดถ้าขาดความสามัคคีตระกูลนั้นก็ล่มจมฉันใดหมู่พระภิสุสอ์ทั้งหลายก็ฉันนั้น พ่อประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉะนั้นถ้าหากว่ามีการทะเลาะกันมีการวิวาสกันมีการถกเถียงกันขาดเมตตาซึ่งกันและกันเมื่อใดที่ขาดเมตตาซึ่งกันและกันทะเลาะกันและกันแต่ละฝ่ายก็จะหาความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแคระวันลวงหาแต่ผิษภัยทุกโทษของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เอาความเลวร้ายของผู้อื่นเนี่ยมากล่าวมากขึ้น ในคาถาธรรมบทพระองค์ตรัสว่าผู้ใดที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นเรียกว่าหาความเลวของผู้อื่นรู้จักความเลวของผู้อื่นเป็นอย่างดีใครที่ทําตัวในลักษณะนี้ห่างพระนิพพานเนี่ยนะเป็นคนที่รู้หมดเลยนะว่าคนอื่นนี่เขามีความชั่วตรงไหนเขาเลวร้ายขนาดไหนบางทีเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยไอคนนี้รู้หมดเนี่ยนะความเลวของคนอื่นจําสถิติเก็บข้อมูลความเลวร้ายของคนอื่น แม้กระทั่งว่าเขาทําดีเป็นสิบยี่สิบปีเขาทําเลวนิดเดียวเนี่ยนะก็เอาความเลวนิดเดียวนั่นแหละมาเป็นเป็นข้ออ้างพันเมื่อพูดถึงคนนั้นก็จะพูดถึงแต่ส่วนแห่งความเลวความร้ายแม้แต่นิดเดียวอ น, นั้นเนี่ยนะเรียกว่าผูกใจเจ็บพันสรุปว่าใครก็ตามที่เจ็บสติติความเลวร้ายของผู้อื่นเอาไว้ในใจของตัวเท่าใดไกรพระนิพานเท่านั้นพันถ้าหากว่าเมื่อรู้จักความเลวร้ายของผู้อื่น มองเห็นว่าคนอื่นเป็นคนเลวเนี่ยนะคำที่เราพูดถึงจะเป็นคําประเภทไหนแม้แต่คําพูดต่อหน้าก็เป็นคําพูดที่ขาดเมตตาแม้แต่คําพูดที่พูดลับหลังเขาก็ตามสมมุติถ้าเราพูดถึงบุคคลใดด้วยคําพูดที่เลวร้ายนะพูดถึงนะจริงๆอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จริงอยากคิดเลยว่าคนนั้นจะไม่ได้ยินในตอนหลัง ในที่สุดก็ได้ยินจนได้ในตอนสุดท้ายเพราะนันาการที่เราสะท้อนความเลวร้ายของคนอื่นออกไปเท่าใดเจ้าตัวเขารู้เมื่อเขารู้ว่าคนอื่นเขาพูดเลวกับเราเนี่ยนะแม้เราจะเข้าไปกราบก็เลยไหมไม่เราก็เขาบอกว่าปกติแล้วเวรทั้งหลายก็จะตามมามันถ้าเขาด่าเราเราก็ด่าตอบนะถ้าเขาทําให้เราเสียหายเราก็ต้องทําให้เขาเสียหายตอบะฉนั้นถ้าเขาฆ่าฝ่ายเราเราก็ต้องฆ่าฝ่ายเขาตอบ เขาโคดโกงเราเราก็โคดโกงเขาตอบเขาสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เราเราก็จะสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เขาตอบจากวิวาทก็กลายเป็นเวนเนก็กลายเป็นการผูกเวนเมื่อผูกเวนกันมากๆเข้าความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะมียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนในโลกนี้ในโลกนี้ที่สงครามการแข่งข่ากันก็เกิดจากการผูกเวนนั่นเองก็เกิดจากเวนเกิดจากการทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาสเสร็จก็ผูกเวน กลายเป็นโลกแห่งความไม่สงบร่มเย็นก็เพราะมีเวรกลายเป็นคนคู่เวกรกันไปนั้นการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นต้นเหตุที่สําคัญอันหนึ่งของการผูกเวร น, นั้นผู้ใดที่ยินดีในการทะเลาะวิวาทยินดีในการถกเถียงะนะเพราะว่าคําทะเลาะวิวาทก็จะเป็นคําผู้ที่ถากถางอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเขารู้ว่าเขาถูกถากเขาจะทําใจได้ไหมเขาก็ทําใจไม่ได้ พันให้เห็นเถอะว่าความทะเลาะวิวาทเป็นเหตุแห่งความน่ากลัวทุกอย่างเนี่ยนะความเลวร้ายทั้งหลายก็จะตามมาที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะภัยทั้งหลายการไม่ได้เจริญสมถาวิปัสนาเป็นต้นบางทีก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะไม่ได้ศึกษาธรรมะเลิกศึกษาธรรมะก็เพราะทะเลาะวิวาทดีไม่ดีทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ําไปเนี่ยนะทะเลาะเรื่องน้ําเรื่องร้องเท้าเรื่องที่นั่งเก้าอี้ทีและที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องขยะมูลฝอยทั้งนั้นแหละบางัน ท่านก็เกิดทะเลาะทะเลาะจนถึงขนาดเรียกว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมหนักๆเข้ากลายเป็นว่ามองหน้ากันไม่ติดดีๆกันอยู่ดีในที่สุดก็มองหน้ากันไม่ได้แต่สาเหตุจากการทะเลาวิวาจริงๆอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยนีท่านผู้ที่ศึกษาธรรมะอยากคิดนะว่าไม่มีการทะเลาะกันนี่ยทะเลาะมากกว่าวงการอื่นด้วยซ้ําไปบางทีขาดเมตตา ม, มากกว่าวงการอื่นทั่วไปก็บอกว่า กลายเป็นว่าให้อาภัยไม่ได้ก็คือกลนวงการนี้บางทีนะอย่างในพระไตรปิฎกพระองค์บอกว่าขนาดเขาเข้นฆ่ากันนะเขายังให้อาภัยกันได้เพราะงั้นอย่างในเรื่องของในชาดกดูเรื่องนั้เขาบอกเขาเค้นฆ่ากันยังให้อาภัยกันได้แต่พระพิสุที่ทะเลาะกันเพราะน้ําน้ําขันเดียวเนี่ยให้อาภัยกันไม่ได้อย่าว่าน้ําขันเดียวน้ํากะลาเดียวด้วยซ้ําไปถามว่าน้ําอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ส้วม ทะเลาะกันน้ำกะลาเดียวในส้วมเนี่ยนะบางทีก็ทะเลาะกันเพราะพ้าเช็ดเท้าทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้เป็นเหตุให้ลุกลามใหญ่โตจนไม่ได้เจริญกุศลพันอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าผู้ที่ไม่เจริญกุศลเนี่ยให้เจริญกรุณาให้แก่ตัวเองได้เลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนผู้ที่ประมาทพลาดจากการเจริญกุศลบุคคลเหล่านั้นน่ากลัวพระองค์จึงบอกว่าให้เห็นการทะเลาะวิวาทการถกเถียงกันเป็นสิ่งที่ น่ากลัวเนี่ยนะมันก็พยายามยกให้คนอื่นเขาชนะเธอไม่ต้องไปชนะเขาหรอกถ้าถ้าจะทะเลาะ ก, กับใครถ้าจะวิวาทกับผู้ใดก็ยกให้เขาชนะไปเลยนะจนี่ยในชาดกในเรื่องหนึ่งช่อมสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอุทายีชอบพาเรื่องภาษาลิบุตรพอพระอุทายีว่าไรภาษาลิบุตรภาษาริบุตาารเงียบเก็บไม่ไม่ตกไม่เ ถ, ถียงกลายเป็นเหมือนว่าปัญญาอ่อนเลยว่า ง, งั้นเถอะเหมือนนะแต่ไม่ใช่ ท่าไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเงียบนิ่งเสร็จแล้วบอกว่าก็มีคําถามอ่ะทําไมภาษาริบุตรไม่โต้อตอบกลับไปภาษาริบุตรเนี่ยนะถามว่าเทียบโดยตําแหน่งก็เท่ากับเสนาบดีใช่ไหมพระอุทายีก็เหมือนกับว่าพระรูปหนึ่งเท่า น, นั้นแหะที่เขาจะเขี่ยออกจากสงฆ์เมื่อไหร่ก็ได้นะไปว่าภาษาริบุตรภาษาริบุตรเขาก็เงียบไม่ว่าอะไรสักคำหนึ่ง ก็บอกว่าเรื่องนี้แพระพิสุก็สนทนากันนะเออภาษาริบุตรเงียบนะนะทั้งทังที่พระอุทายีก็กันแนะ่กันแหนต่อว่าอย่างโ น, น้นอย่างงี้แต่ท่านก็ใช้เงียบทําไมจึงท่านทนได้บอกว่าเออเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ในปัจจุบนันอดีตภาษาริบุตรก็เป็นอย่างนี้แหละก็เล่าให้ฟังในอดีตกาลเนี่ยภาษาริบุตรเกิดเป็นราชสีเกิดเป็นพยาราชสีผู้มีอํานาจมากบอกว่าถ้าตะปบช้างเนี่ยนะช้างก็ตาย ถ้าตบม้าม้าก็ตายเป็นต้นเน่ยนะพรามันจะกัดคอควายควายก็ตายทันทีเป็นต้นเป็นราชสีที่ยิ่งใหญ่มากวันหนึ่งก็ไปกินเนื้อซะอิ่มแป้เลยฆ่าสัตว์แล้วก็กินอิ่มแปะก็มีหมูตัวหนึ่งบอกราชสีเรามากัดกันดีไว้เพรา ง, งั้นหมูตัวนั้นน่ะไอราชสีก็บอกว่าเพิ่งกินอิ่มจะกินหมูอีกต่อไปมันก็ไม่ไหวเอ้ยเพื่อนวันหลังดีกว่ า, เ, าเดี๋ยววันหลังเรามาสู้กันนะะราชสีก็บอกว่าเปิดโอกาสให้วันหลังค่อยกัดกัน เสร็จแล้วหมูเขาก็กลับไปบอกญาติแต่เขานี่เก่งมากวันพรุ่งนี้นะเขาจะท้าประลองกับราชสีญาติญาติทั้งหลายไปดูกระวังหมูกับราชสีกัดกันใครจะชนะญาติก็เลยโอ้ยบรรลัยแน่งานนี้นะก็เลยบอกว่าตายหายวายวอดหมดแน่ฝูงหมูเพราะฉะนั้นเปกท่ากับใครไม่ไปท่าท่ากับราชาสีตายกันหมดแน่เลยนะทุกคนตกใจทุกตัวหมูทุกตัวตกใจหมดเลยไอหมูตัวนี้เพิ่งรู้ตัวเออเหรอ นะก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองนี่จะไปกัดกับใครกกลัว<อ>ตัวสั่นนะนี่ทำงานดีจะรอดตายงานนี่ญาติก็เลยวางแผนให้เอางี้สิเพื่อนอา่าจะไปคลุกกับอุจระนะไปคลุกกับอุจระแล้วมาตากให้มันแห้งแล้วก็ไปคลุกใหม่แล้วก็ขึ้นมาตากแห้งแล้วก็ลงไปคลุกอุจระใหม่แล้วก็ตากแห้งหลายๆชั้นเข้าไปให้มันอุจระหนาเตอะเะไรแบงนั้นแล้วก็ได้เวลาก็ไปต่อสู้กับราชสีนี่ได้เวลากัดกันนะนะราชสีก็มาตามสัญญา เขาก็ไปเลยบอกเพื่อนๆนมาสู้กันราชสีมองเห็นอันนี่มันเลขกลนเนี่ยนะเล่มันนักเพราะว่าดูสิอุจจระเต็มตัวไปหมดถ้าเราเอาขาไปตบเอาเท้าหน้าไปตบมันก็เปื่อนกรงเล็บเหม็นนะกลัวมากราชสีนี่เขาสัตว์เรียกว่าสัตว์สะอาดนะเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าเขากลัวสกปรกเหมือนกันเขาโอ้โหนี่ถ้าตบไปเนี่ยเขาก็เปื้อนถ้าเขากัดมันก็เปื้อนปากบอกโอ้ให้ชนะเลย ก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเพื่อนเราไม่ต้องต่อสู้กันนะฉันยกให้แกชนะไปเลยนะก็ให้ชนะไปเลยนะว่าราชสีก็เดินกลับหมูบอกก็ท้าประลองอีกไหนไหนว่าจะมากัดกันอนะ่ะบอกโอ้ยให้ชนะไปเลยอย่างเง้ยนะแล้วก็ราชสีก็เดินจากไปนะเพราะฉะนั้นชนะหมูแบบอ่าก็เรียกว่าแพ้หมูแบบนี้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะถ้าเราไปถกเถียงกับคนบางคนเนี่ยนะมันเปื้อนยิ่งกว่าเปื้อนอุจระอีกเนี่ยนะเปื้อนบาปมาด้วยสิ เพื่อนอุจาระมันก็แค่เปื้อนมือเพื้อนปากเพื้อนเท้าแต่ถ้าเปื้อนบาปนี่อะไรจะเกิดขึ้นมันก็เดือดร้อนต่อไปเพราะฉะนั้นกับคนบางคนเนี่ยยกให้เขาชนะไปเลยนเนี่ยนะยกให้ชนะไปเลยเขาอยากว่าอะไรก็ว่ากันไปวาจาใครก็ปรจีกรรมังบาปใครก็บาปคนนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทําฟันต่อไปในอนาคตก็ตามใจเนี่ยนะคะอยากจะพูดเพื่อจะให้ไปเกลือนเบ็ดเกลือนอะไรก็ตามใจเข้าไปฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปกับเขาเหล่านั้นเพราะเห็นว่าความทะเลาะวิวาท ถ้าเรามีจิตคิดมุ่งโทษตามเพ่งแต่โทษของเขาเห็นแต่ความเสียหายของเขาเห็นแต่ความเลวร้ายของเขาเท่าใดใจของเราก็ต่ำสามเท่านั้นเนี่ยนะใจของเราก็ต่ำสามเท่านั้นอย่างบางคนเนี่ยมีปกปติชอบชอนชัยหาแต่ความเลวร้ายของคนอื่นในโลกนี้สัตว์ที่ชอบของเน่าเนี่ยมีกี่ประเภทกลุ่มไหนบางมาแมลงวันนอน สัตสายพันธุ์นี้จะชอบของเนา่าใจของคนบางคนก็ฉันนั้นชอบหาแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องเน่าเน่าของคนอื่นแล้วถามว่าจิตวิญญาณของตัวนั้นมันจิตกลุ่มไหนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นี่นะบางทีคนที่เที่ยวตามเพ่งโทษคนอื่นเท่าใดจะเลวร้ายมากยิ่งกว่านั้นสะสมอัธยาสัยแห่งความเลวร้ายของคนอื่นไว้เต็มหัวใจเนี่ยนะเชื่อเถอะว่าเขาห่างพระศาสนานี้แน่นอนเพราะว่า พระศาสนานี้เป็นศาสนาที่กล่าวโทษภัยของโทสะโดยเฉพาะจิตที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นจิตที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นเป็นใจที่ห่างจากพระนิพพานเนีนะเป็นใจที่ห่างจากสมถะและวิปัสสนาพันถ้าหากว่าจิตใจที่มุ่งตามทะเลาะวิวาทผู้อื่นใจนั้นห่างจากสมถะและวิปัสสนาเมื่อหใจห่างจากสมถะวิปัสสนาจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้เห็นเถอว่า การทะเลาะวิวาทเป็นไผ่เนี่ยนะแล้วก็ทะเลาะวิวาทเป็นที่มาแห่งเวรขึ้นเชื่อว่าเวรทั้งหลายเนี่ยนะไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรเนี่ยนะบทว่าอาวิวาทังเห็นว่าการไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทะเลาะวิวาทก็คือเมตตาวจีกรรมมังเนี่ยนะเพราะว่าพูดด้วยคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังหรือการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะ เป็นปฏิบัติต่อการทะเลาะวิวาทให้เห็นว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนะการเจริญเมตตาเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังนี่แหละว่าเป็นทางแห่งความเกษมว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งอวิวาทางหมายถึงสารานิยธรรมหประการเนี่ยนะสารานิยธรรม6อย่างสารานิยธรรมทั้งหอย่างนั้นชื่อว่าเป็นเหตุไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน สารานิยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่ทะเลาะวิวาทกันนั้นมีอะไรบ้างก็คือกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนั้นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็สามอย่างเข้าไปแล้วมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันศีลสามัญญตา ทิฐิสามัญญาตาเสมอกันด้วยศีลเสมอการด้วยทิฐิสุดท้ายก็คือสาธารณโภคีนะก็คือมีเข้าของเครื่องใช้ก็แบ่งปันกันทํำของตัวเองให้เช่นกับของที่เป็นสาธารณพันสารานิยธรรมทั้งหประการเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ไหม่ทะเลาะวิวาทสมคชาสามัคคีก็คือการไม่แบ่งพักแบ่งพวกนะอธิบายว่ามีการร่วมกันทางกายและ ใจไม่เว้นไม่แบ่งแยกกันว่าพวกเขาพวกเราพวกโ น, น่นพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแยกให้ดีนะว่าไม่ใช่ว่าศีลไม่เสมอกันและไม่แบ่งพวกเลยทิฏฐิก็ไม่เสมอกันคละเคล้คากันไปนะคนทู่ศีลกับคนมีศีลเนี่ยไม่คละกันอยู่แล้วสัมมา flawless, ทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิก็ไม่คละกันอยู่แล้วแต่หมายคาอว่าถ้าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็ไม่มีการรู้สึกว่าแบ่งพักแบ่งพวก แต่ถ้าหากว่าศีลไม่เสมอกันเนี่ยนะเห็นเขาทุ่ศีลเราก็ไม่ถือสาเนี่ยนะไอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยตาถั่วแน่นอนวิจารณญาณไม่ดีั้นถ้าหากว่าเขาเป็นคนทุ่ศีลแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็เสียหายเนี่ยนะถ้าเขามีทิฏฐิวิบัติถ้าเราเกี่ยวข้องกับเขาเราก็เสียหายแต่หมายคำว่าถ้าศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเสมอกันมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเสมอกัน ให้ตั้งไว้ในใจอย่ามุ่งแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยนะพันแต่ที่สําคัญที่สุดก็โทนอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องแยกพานแยกบัณฑิตให้เป็นเนี่ยนะแยกพานแยกบัณฑิตให้เป็นพันคนที่ศึกษาไอคําว่าไม่ทะเลาะวิวาทกลายไปว่าอัปปะมงคลในข้อคบคนไม่เป็นแยกคนครบไม่เป็นเนี่ยนะพันการไม่ทะเลาะวิวาทที่พระองค์สอนกับอะเสวนาจะภารานังไม่ขัดกันเองเนี่ยนะไม่ขัดกัน มันก็เห็นคุณของการไม่แบ่งพักแบ่งพวกมีความร่วมกายร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันเนี่ยนะบทว่าสกิลาคือน่ารักอ่อนโยนมีใจอ่อนโยนแก่กันและกันเนี่ยนะคือไม่มีใจแข็งกระด้างเอเอซาบุดานาซาสเีก็คืออันนี้การไม่อาศัยการวิวาดกันโดยประการทั้งปวงชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกัน โดยสารานิยธรรมหประการคือเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอการข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นสาธารณโภคีคือเป็นของที่ใช้สามารถใช้ร่วมกันได้นี่แหละเป็นเอสาพุทธา น, นังอนุสิทธินี้เป็นคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จริงอยู่ชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันจริงๆแล้วคำว่าสงฆ์นี่แปลว่าผู้ที่เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิผนสงฆ์ที่เป็นภาระยะสงฆ์ทั้งหลายเนี่เสมอกันด้วยศีลที่เสมอการศีลของพระโสดาบันเป็นต้นอันพระองค์เนี่ยมุ่งให้เสมอกันด้วยนั่นแหละระดับสูงเลยแหละแล้วก็ไม่วิวาทกัน งั้นถ้ามีศีลเสมอการมีทิฏฐิเสมอการก็คือมีศีลวิสุทธิมีจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเสมอการไม่วิวาดกันจากยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์โดยง่ายทีเดียวอันถ้ายกศีลนะนะถ้ายกศีลก็ยกสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะถ้าศีลดีจิตก็ตั้งมั่นสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ดำรงมั่นผู้ที่มีทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ บริบูรณ์มันจากศีลเสมอกันที่ติดเสมอกันไม่ทะเลาะวิวาทการอบรมอยู่ในใจสิกขาทั้งอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาก็จะบริบูรณ์ได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นพระศ า, ศาสดาจึงแสดงว่าแสดงถึงการชักชวนให้สมัครสมานสามัคคีกันนี่แหละเป็นคำพร่ำสอนของพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงถึงอ น, นิสงส์แห่งความสามัคคีเนี่ยตลอดคืน แสดงคําจนสว่างเลยแสดงถึงอนิสงค์ของความสามัคคีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิสุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันเพราะน้ําขันเดียวในส้วมนะครทะเลาะกันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหตุให้ทำคือมีการยกวัดซึ่งกันและกันเนี่ยนในโกสัมพีคันตกะพระพิสุเกิดการทะเลาะกันมีแปรรบวาสีไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันก็เลยมีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อทะเลาะวิวาทกันสงก็มีการ ยกวัดกันเมื่อมีการยกวัดกันเนี่ยนะยกวัดกันก็ตําหนิฝ่ายหนึ่งตําหนิอีกฝ่ายหนึ่ง ต, i, ต่ออีกฝ่ายหนึ่งจนในที่สุดพระพุทธเจ้าห้ามปรามเช่ในใดพระพิสูจน์เหล่านั้นก็ไม่ยอมจนพระองค์ก็จากไปจากไปพระองค์ก็ไปเห็นพระพิสูจนที่อยู่รูปเดียวพระองค์ก็สรรเสริญการอยู่รูปเดียวสรรเสริญวิเวกตลอดทั้งคืนเสร็จแล้วจากพระพิสูจนรูปเดียววันหลังก็ไปหาพระพิสูจนสามรูปที่อยู่ด้วยความ สมักสมานสามัคคีการมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักก็แสดงอ น, นิสงฆ์แห่งความสามัคคีทั้งคืนเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปอยู่แต่ป่าเพียงรูปเดียวในป่าไหนป่าลลัยยกะเนี่ยนะปา่าเลไลยกะนั่นเองท่านพระองค์นี้เป็นผู้ที่กล่าวสรรเสริญถึงความสมักสมานสามัคคีพระองค์บอกว่าที่ใดที่ไม่มีการสมักสมานสามัคคีแค่คิดถึงนี่ก็พูดแบบภาษาเราบอกเครียดเลยนะ แค่คิดถึงนี่ก็อึดอัดแล้วบังท่านอ่ะจะ ก, กล่าวไปยายถึงจะต้องไปอยู่ร่วมกับสมาคมเหล่านั้นถ้าหากว่าที่ใดมีความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองนึกถึงก็ชื่นใจจะ ก, กล่าวไปยายถึงต้องไปอยู่ร่วมเนี่ยนะต้องไปอยู่ร่วมจะมีความสุขขนาดไหนเพราะการสมัครสมานสามคัคคีเป็นเหตุให้เจริญไตรสิกขาอบรมสิกขาทําให้พระาศาสนาจเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าเมื่อมีการสามัคคีกันก็จะมีการฟังธรรมร่วมกันศึกษาพระธรรมร่วมกันมีการ อ, อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแต่ละรูปแต่ละท่านก็ไม่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยเพราะมีการเอื้อเฟื้อมีการแบ่งปันซึ่งกันและการทุกคนก็จะอยู่ด้วยความเจริญงนั้นพระองค์จึงสรรเสริญอันในส่งของความสามัคคีเนี่ยมากคาถาสุดท้ายบอกว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษมแล้วเจริญมักอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคําว่าประมาทเนี่ยนะก็เห็นเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นว่าความประมาทนี้ไม่ปลอดภัยเลยก็คือการหลงลืมกุศลธรรมเนี่ยนะคำว่าประมาทก็คือลืมบุญลืมกุศลทิ้งบุญทิ้งกุศลไปเลย และการปล่อยจิตให้ตกลงไปในอกุศลเนี่ยนะให้ใจเป็นไปกับอภิชาให้ใจท่องเที่ยวไปกับพยาบาทให้ใจเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิปล่อยจิตไปกับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าความประมาทอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวว่าคําว่าประมาทนี้เป็นไงนะความประมาทก็คือการปล่อยการปล่อยจิตลงไปในกายตุจริตมีความสุขเพลิดเพลินที่จะทํากายทุจริต มีความสุขเพลิดเพลินในวจีทุจริตเนี่ยนะเพลจร์กันได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่าเพลิดเพลินในประมาหรือว่าอยู่ด้วยความประมา่ก็คือเพลิดเพลินในวจีทุจริตเพลิดเพลินอยู่ในมโนทุจริญหรือปล่อยใจไปในการมคุณท่านีนะปล่อยใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภตภะเวลาทําบุญทํากุศลก็ไม่ทําด้วยความเคารพ เรีว่าไม่ไม่สนใจไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรจะเป็นเหมนกันนะไม่ตั้งใจทำอ่าไม่เรียกว่าไม่ถือเอาภาระสาระในการเจริญกุศลอย่างเต็มที่นั้นกุศลเหล่านั้นก็เลยไม่ทำอย่างติดต่อไม่ทาอย่างมั่นคงทำแบบย่อหย่อนเรียกว่าปล่อยใจเต็มที่เนี่ยปล่อยปละละเลยเต็มที่ในการ เจริญกุศลก็ล ว, ว่าทอดฉันทะทอดธุระก็คือปล่อยปละละเลยไม่เสพไม่อบรมไม่ทําให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะไม่น้อมไปว่าให้ศีลที่ยังไม่เจริญให้เจริญยิ่งขึ้นก็ไม่คิดอย่างนั้นสมถาวิปัสสนาเป็นต้นที่ยังไม่เจริญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่คิดอย่างนั้นพะะนันความประมาทความมัวเมาความเป็นผู้มัวเมาเห็นป่า น, นี้นะปล่อยใจเป็นเป็นไปกับบาปอย่างเต็มที่ ทีกับบุญก็นิดๆหน่อยๆ อ, อันนี้แหละเรียกว่าประมาทแล้วฉั้นให้เห็นว่าความประมาทเหล่านี้เนี่ยไม่ปลอดภัยนะถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมากร้ายแรงขนาดไหนร้ายแรงถึงขนาดเรียกว่าโอกาสที่จะได้บําเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยนะเว้นาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาโอกาสไหนที่จะเจริญไตรสิกขาอย่างชีวิตของหลายท่านเนี่ยนะถ้าไม่เจริญชาตินี้ให้ดีๆเนี่ย และชาติต่อไปดูท่าจะยากสําหรับหลายท่านก็เหมือนกันถ้าไม่เจริญในวัยต้นๆนวัยกลางๆให้ดีให้เรียบร้อยเนี่ยนะวัยปลายๆก็เดือดร้อนพมันถ้าตอนเด็กไม่เจริญดีตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนแก่ไปก็ลําบากตอนวัยกลางคนไม่เจริญให้ดีตอนแก่ๆไปก็ลําบากตอนแก่ไม่เจริญให้ดีชาติหน้าก็ลําบากถ้าชาติหน้าลําบากแล้วไม่เจริญกุศลชาติต่อไปอีกหลายชาติเดือดร้อนแน่พรันเห็นแต่ว่าความประมาท การที่ปล่อยใจนะปล่อยปละละเลยให้จิตใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศล น, น, นะกุศลก็ทำไม่เพียบไม่พร้อมไม่บริบูรณ์เรียกว่าพอพูดถึงกุศลก็ทำเป็นปล่อยวางถ้าอย่างนี้ก็อนาคตเดือดร้อนแน่ให้เห็นเธอว่าอันนั้นเป็นภยัยเป็นเรื่องที่น่ากลัว น, นะเป็นทุกข์โทษที่ที่น่ากลัวจริงๆ